music นั้นเมื่อเธอมาถึงกันขนาดนี้อย่าพูดเลยว่าเธอจะไม่ลืมทุกทุกอย่างอย่าพูดเลยถ้าพูดจบแล้วเธอก็เดินนีเธอไม่ต้องคุยวัายา่าดทำดีเมื่อไม่ ม, มีฉันอยู่ใน พอเสียทีไม่ต้องบอกฉันผูกพันแค่ไหนไม่ต้องการช้ำใจจิงกว่า น, นี้อย่าพูดเลยว่าเธอจะไม่ลืมทุกทกอย่างอย่าพูดเลยเธอพูดจบแล้วเธอก็เดิน มไม่มีฉันอยู่ในสายตาเกปากเธอ p r o t c t o e why?